เพื่อให้เกิดความสุขและความเจริญแก่จิตใจการฟังธรรมนี้มีประโยชน์อยู่ห้าประการด้วยกันคือจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้ว เมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็เกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ 3. จะกำจัดความลังเวสงสัยต่างๆในธรรมให้หมดสิ้นไปได้ 4. จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่ตรงกับความเป็นจริง เรียกว่าปัญญาและห้าจะทำให้จิตสงบผ่องใสมีความสุขการที่จะฟังธรรมและได้อ น, นิสง์ได้ประโยชน์เหล่านี้จําเป็นที่จะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่นิ่งสงบกายร่างกาย ต้องนั่งอยู่เฉยๆไม่ควรเคลื่อนไหวไม่ควรกระทำอะไรทั้งสิ้นเรียกว่าสงบทางกายวาจาคือการพูดคุยกันก็ต้องหยุดพูดคุยไม่มีการใช้วาจาในขณะที่กำลังฟังเทศน์ฟังธรรมเรียกว่าสงบวาจา การสงบกายสงบวาจานี้เราเรียกว่าการมีสีลเพราะตอนที่สงบกายสงบวาจาจะไม่มีการฆ่าสัตว์ไม่มีการลักทรัพย์ไม่มีการประพฤติผิดประเพณีไม่มีการพูดปดไม่มีการดื่มสไลยาเมาเรียกเรียกว่ามีสี แล้วใจก็ต้องสงบการสงบของใจก็คือไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆในขณะที่กำลังฟังเทศฟังธรรมให้จดจอ่อให้ตั้งใจฟังอยู่กับเสียงธรรมเพียงอย่างเดียวเรียกว่ามีความสงบ ทางใจคือการมีสมาธินั่นเองดังนั้นการฟังธรรมที่จะให้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิเกิดความสงบสุขขึ้นมาจึงจำเป็นจะต้องมีศีลมีสมาธิเป็นผู้รับรองผู้สนับสนุนที่จะทำให้เกิด ปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาได้ในขณะที่ฟังจึงไม่ควรที่จะดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทธโธหรือสวดมนต์หรือใช้อารมณ์อะไรต่างๆในขณะที่กำลังฟังเทศฟังธรรมอยู่ให้ใช้อารมณ์ของเสียงธรรมที่มา สัมผัสกับหูแล้วก็ให้มีสติคอยรับรู้เสียงธรรมนั้นไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกหรือการบริกรรมพุทโธหรือการสวดมนต์เราควรที่จะนั่งในที่เงียบๆไม่มีเสียงไม่มีเสียงธรรมถ้าเรา ฟังธรรมแล้วเราใช้เครื่องฟังเราก็เปิดเสียงธรรมไปถ้าเราอยากจะดูลมหรืออยากจะบริกรรมพุทโธหรืออยากจะสวดมนต์ไม่ควรที่จะทาในขณะที่เรากำลังฟังธรรมเพราะมันจะชนกันจะทำให้ใจไม่นิ่งใจไม่ได้อยู่กับการ ฟังธรรมการฟังธรรมกับการดูลมด้วยการบริกรรมพุทธโธนี้มันจะมาชนกันเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเอาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถ้าเราอยากจะฟังแล้วให้เกิดผลขึ้นมาเราตอนที่เราฟังธรรมนี้เราใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนได้แทนพุทธโธได้แทนการดูลมหายใจเข้าออกได้ ถ้าฟังแล้วเข้าใจเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจเราก็จะได้สมาธิได้ความสงบผ่องใสของใจขึ้นมาต้องเข้าใจการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นการภาวนาอีกรูปแบบหนึง่งเป็นการฝึกจิตฝึกใจให้อยู่ในความสงบ เป็นการจเจริญสติคือธรรมที่เราฟังนี้ก็คือธรรมานุสตินั่นเองอการฟังธรรมฟังด้วยสติก็เรียกว่าธรรมานุสติธรรมานุสติก็เป็นเหมือนกับอานาปนาสติการดูลมหายใจเข้าออกใช้แทนกันได้แต่ไม่ควรใช้ทั้งสองอย่าง เพราะมันจะทำให้ใจไม่นิ่งทำให้ใจต้องทำงานต้องฟังเทศแล้วก็ต้องดูลมให้เอาอาย่างใดอย่างหนึ่งไม่เช่นนั้ น, น, นจิตจะไม่รวมเป็นหนึ่งจิตจะเป็นสองมาอยู่กับลมแล้วก็จะอยู่กับเสียงธรรมไปด้วยฟัง แ, แล้วมันก็จะไม่สงบ นี่คือวิธีการฟังธรรมที่เป็นมงคลที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบแล้วก็ใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนการใช้คำบริกรรมพุทโธหรือการใช้การดูลมหายใจเข้าออกหรือการสวดมนต์ หรือแต่หรือวิธีการอื่นๆบางท่านอาจจะใช้อาการสามสิบสองผมขนและฟันหนังเอ็นกระดูกเป็นต้นกรรมฐานเหล่านี้เป็นกรรมฐานที่เหมาะที่จะทำในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเพราะจุดหมายเป้าหมายของการฟังธรรมนี้ อยู่ที่การให้เกิดสัมมาทิฏฐิให้เกิดปัญญาเนี่ยนในสมัยพระพุทธการนี่ผู้ที่ฟังธรรมที่มีสีงมีสมาธิฟังนีสามารถบรรลุอริยมรรอริยผลได้ในขณะที่ฟังเลยเช่นตอนที่พทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเพื่อโปรด ปัญจวคีลูกศิษย์ที่ตามเสด็จรับใช้อย่างใกล้ชิดตอนที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์าสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พอพระเจ้าทรงเลิกบำเพ็ญการทรมานร่างกายด้วยการอดพระกายาหารพระปัญจวคีทั้งห้าก็เลยเสื่อมศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้า ยินขอเปลี่ตัวไม่ติดตามนับใช้พุทธเจ้าไม่ถือเป็นครูเป็นอาจารย์ต่อไปเพราะหวังพึ่งความเพียรอันกล้านี้จะนำพาสู่การตัดสุล mm hmm. เมื่อพระองค์เห็นว่ามันไม่ได้เป็นทางสู่การตัดสุล mm hmm. พระองค์ก็ยุติแต่พระปัญจวัคีนั้นไม่เข้าใจคิด mm hmm. ว่าทรง กลัวตายก็เลยต้องกลับมารับประทานอาหารก็เลยไม่ติดตามยากไปอยู่ไปปฏิบัติ<ม>ตามลำพังหลังจากที่พุทธเจ้าได้ทรงตัดสัุ้พระอนุตตราสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว<ม>ก็คิดถึงบุคคลต่างๆที่ มีความพร้อมที่จะรับท ร, รมันประเสริฐของพระองค์ <Okay. S 1> ได้ทรงต้องเล็งดูคนที่มีสมาธิมีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ในระดับรูปฌปานและอรูปฌปานได้ <Yeah. S 1> เบืองตอนก็ น, นึกถึงพระอาจารย์สองรูปที่ได้เคยไปศึกษา วิธีฝึกสมาธิอาจารย์ทั้งสองรูปนี้ท่านเข้ารูปประชานและเข้าอารูปประชานได้มีศีลที่สะอาดบริสุด ม, มีสมาธิที่ตั้งมั่นถ้าทรงแสดงธรรมคือปัญญาให้ท่านได้ยินได้ฟังท่านก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในขณะที่ฟังเลย แต่ก็น่าเสียดายที่ทราบข่าวว่าองค์หนึ่งนั้นก็เพิ่งตายไปเมื่อเดือนที่แล้วอีกองค์หนึ่งก็ตายไปเมื่อเจ็ดวันที่ผ่านมาองค์ก็ทรงเสียดายเพราะรู้ว่าโอกาสอันเลิศอันประเสริฐที่จะได้เข้าสู่พระนิพพานนี้ก็ก็ไม่มีสำหรับพระอาจารย์สองรูป แล้วก็ไมารู้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้เจอกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเพราะว่ากว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมเป็นเวลาอันยาวนานพอออกจากสวรรค์ชั้นพรหมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าคือพระศาสนาพระพุทธศาสน า, า, าของพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็จะหายเปดด็นบุญแล้ ก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสรู้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นในช่วงจังหวะที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงนั้นหรือไม่จึงน่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งถ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้สักเดือนหรือสองเดือนก่อนหน้านี้ก็จะได้มีโอกาสถวายธรรมประเสริฐนี้ให้กับ พระอาจารย์สองรูปได้แต่ท่านก็ตายไปก่อนที่พระพเจ้าได้ทรงตัดสรรวเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เลยนึกไปถึงบุคคลที่มีศีลบริสุทธิ์และมีสมาธิก็คือพระปัญจวัคคีที่เป็นสาวก ข, ของพระองค์ที่เคยติดตามศึกษาและปฏิบัติธรรมกับพระพุทธเจ้ามา องก็ทรงรู้ว่ า, าพระประจวัคีนี้สามารถเข้าฌานขั้นต่างๆได้มีศีลที่สะอาดบริสุทธิ์ถ้าแสดงธรรมกายวาจาใจของท่านก็จะนิ่งสงบมีความตั้งจิตตั้งใจที่จะฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจในธรรมที่จะนำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพาน ก็เลยสงมุ่งไปสอนพราปัญจวัคคีย์หลังจากที่ได้ทรงแสดงธรรมทรงแสดงปัญญาที่จะนำมาสู่การตัดสู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นพระอาหารหันตสาวกโืยทรงแสดงอริยสัอริยสัจสี ทรงแสดงมรรคแปดทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา อะไรลนะ่ะที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วต้องดับไปเป็นธรรมดาก็คือสังขารร่างกายของสัตว์และของเดรัจฉานของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งปวงใครมีร่างกายแล้วจะต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายอย่างแน่นอนไม่มีการหยุดเพราหลกเลี่ยงได้ ถ้าไปหลงยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราและไปะอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์เป็นอย่างยิ่งถ้ารู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากอยู่อยากเกิด<ม>ก็จะทาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลา ร่างกายจะต้องแก่เจ็บตายไปแล้วหลังจากที่ตายไปความอยากที่จะเกิดก็จะพาให้ไปเกิดใหม่อีกอยู่เรื่อยๆทำให้การเวียนว่ายตายเกิดนี้ต้องเป็นไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอพิจารณาเห็นว่าร <c oughs> ่างกายเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังเป็นของไม่เทีย่ยวมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นปรากฏการทางธรรมชาติที่มีเหตุปัจจัยคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นผู้สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาและเมื่อเหตุปัจจัยที่มาสร้างร่างกายนั้นเกิดการเสื่อมไปร่างกายนี้ก็จะดับลงไป ไม่มีใครสามารถที่จะมายับยั้งความเสื่อมความตายของร่างกายได้แต่ใจนี้ถ้ารู้ความจริงแล้วยอมรับความจริงไม่ฝืนความจริงไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายร่างกายจะแกะ่ก็ต้องอปล่อยมันแก่ไปต้องอยู่กับความแก่ไป ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไปร่างกายจะตายก็ต้องอยู่กับความตายไปไม่มีความคิดที่อยากจะให้มันเป็นไปอย่างอื่นคือยอมแก่ยอมเจ็บและยอมตายพอจิตยอมปั๊บความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็หยุดทันที พอหยุดใจก็เย็ยนความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ดับไปมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดามก็ได้บรรลุเป็นพระสดาบันเป็นการบรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งของการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ที่มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันหลังจากที่ทรงสแสดงธรรมเสร็จพระพุทธเจ้ามีญาณอย่างทราบรู้วาลจิตของผู้ฟังได้ว่าหนึ่งในห้าของผู้ฟังหนึ่งในบรรจวัคีคือพระอัญญาโกลทัญญาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วได้เป็นพระอริยสองฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนา อริยสงสารมกของพระพุทธเจ้ามีอยู่สี่ขั้นด้วยกันมีขั้นพระสุดาบันพันพระสกิดาคามีขั้นพระอน า, าคามีและขั้นพระอนาหารแต่ละขั้นก็จะสามารถกำจัดวิวรณเนื้อกำจัดสังโยชน์ที่เป็นตัวผูกจิตให้เียน่ายตายเกิดในสังสารวัฏให้หมดไป เวลาท่านก็จะตัดความทุกข์ให้ลดน้อยลงไปตามลาดับจนความทุกข์ทั้งหลายที่เคยมีอยู่ในดวงจิตดวงใจก็จะหายไปหมดไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจต่อไปเพราะเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจก็คือการมาตัณหาความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสทศภาความอยากมีอยากเป็นอยากรวยอยากเกิดอยากไม่ อยากล่ำอยากรวยอยากใหญ่อยากโตอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขและความไม่อยากวิภาวตัณหาความไม่อยากตายความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บความไม่อยากให้ลาบยศสารเสริญสุขที่มีอยู่ที่ได้มาเสื่อมไปไ้่หมดไปพอความอยากเหล่านี้ได้ถูกกำจัดให้หมดสิ้นไปจากใจแล้ว ใจก็ไม่มีความทุกข์หลงเลยต่อไปไม่มีเหตุที่จะดึงใจให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปใจก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่คือทำขั้นสูงสุดแลาสามารถบรรลุทำได้ในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมเลยหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทำครั้งแรกเสร็จรู้ว่าหนึ่งในพระบรรจารวมขีได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้ว ไ่อีกสี่รูปยังฟังยังไม่เข้าใจต้องเอาเวลาไปนั่งพิจารณาซ้ำอีกครั้งหนึ่งพระอุทธเจ้าก็เลยทรงโปรดแสดงธรรมอีกอีกครั้งสองครั้งพอแสดงครั้งที่สามทั้งพระปัญญาวัคีทั้งห้าก็ได้บรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดเลย เออได้บรรลุถึงขั้นพระนิพพานเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาสมัยก่อนเขาฟังเทศฟังธรรมแล้วเขาบรรลุธรรมกันได้เลยเพราะเขามีเครื่องมือที่จะนำเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังเข้ามาสู่ใจเอาเข้ามาเพื่อกาจัดอวิชาโมหะความหลงความไม่รู้ความจริงต่างๆของใจ มีเกิดการฟังธรรมที่มีศีลมีสมาธิเป็นผู้รับรอง<ม>ก็คือมีกายวาจาใจที่สงบนิ่งนั่นเองน่างกายก็นั่งเฉยๆวาจาก็ไม่มีการพูดคุยกันใจก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้ให้อยู่กับเสียงธรรมไปเรื่อย นี่ท่านคงได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่พทธเจ้าได้สง่งบได้ส่งปฏิบัติได้สง่งสั่งสอนคนและมีคนที่ฟังธรรมจากพระุเจ้านี้ได้ตัดสรุู้ได้บรรลุธรรมขึ้นมาในขณะที่ฟังธรรมเลย ท่านก็อาจจะงงว่าคนพวกนี้เขามีอะไรดีมีอะไรวิเศษเพราะเขามีศีลมีสมาธินั่นเนองใจเขานิง่งกายวาจาใจเขานิง่งเขาอยู่กับการฟังธรรมแล้วเขามีความฉลาดที่จะสามารถเพิจารณาเหตุและผลที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ได้ เห็นตามที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกประการ<ม>ก็เลยทำให้มีการบรรลุธรรมในขณะที่ฟังได้<ม><ม>แต่ก็เป็นยุคแรกๆยุคที่มีที่พรเจ้าทรงเลือกทรงตรวจจะทรงโปรดพวกที่มีศีลมีสมาธิโดยจะมุ่งไปโปรดพวกนักบวชตามสํตาม ส, ามสนักต่างๆ ที่มีศีลที่บริสุดมีสมาธิแต่ไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่รู้ว่าความทุกข์เกิดจากอะไรและไม่รู้วิธีที่จะกาจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนั้นให้หมดสิ้นไปได้อย่างไรพระองค์ก็จะทรงมุ่งไปสอนในระดับปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่ต้องสอนเรื่องการรักษาศีลไม่ต้องการสอนเรื่องการฝึกสมาธิจเจริญสติ พาพวกนี้เขาเป็นพวกที่ได้ผ่านมาแล้วเรียนจบศีลแล้วปฏิบัติศีลได้แล้วมันจุเรียนจบสมาธิแล้วเข้าเข้าฌานได้แล้วไม่จาเป็นที่จะต้องสอนเรื่องการรักษาศีลการฝึกสมาธิให้สอนให้พิจารณาทางปัญญาเลยว่าทุกข์เกิดจากอะไร แล้วการจะดับทุกข์ดับได้อย่างไรดับด้วยปัญญาดับด้วยศีลสมาธิและปัญญาศีลก็มีแล้วสมาธิก็มีแล้วก็ขาดปัญญาปัญญาก็คืออะไรก็คือการเห็นอนริยสัจสี่เห็นใจรักณนี่เองเห็นอนริย ส, สัจสีเห็นว่าทุกข์เกิดจากกัรหาความอยากน้าสิ่งที่ตัณหาอยากได้ ก็ล้วนเป็นอนิจจังอนัตล้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอพอได้เห็นความจริงด้วยปัญญาแล้วรู้ว่าตัวที่มาสร้างความทุกข์โน ท, ท, ท, ท, ที่สร้างการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็คือความอยากต่างๆนี่เอง้วตัดความอยากต่างๆไปให้หมดตัดการมาตัณหาตัดภาวะตัณหาตัดวิภาวะตัณหาไป ความทุกข์ทั้งหลายก็เลยไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจต่อไปแต่แต่ต่อมาก็ต้องสอนพวกที่เบื้องต้นก็สอนพวกที่ได้บรรลุศีลได้ได้มีศีลได้มีสมาธิคือพวกนักบวชแล้วต่อมาก็ต้องมาสอนพวกที่เป็นมีศีลแต่ยังไม่มีสมาธิคือพวกที่เป็นนักบวชมารักษาศีลบ่อยสุด แต่ยังไม่ได้ฝึกสมาธิยังไม่ได้ฌานยังไม่สามารถเข้าฌานในระดับต่างๆได้ก็ต้องมาสอนวิธีให้เข้าฌานด้วยการเจริญสติเช่นในสติปัฏฐานสูตรสอนให้ฝึกสติก่อนให้มีสติกำกับควบคุมใจอยู่ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่ไม่ให้ใจเผลอไป คิดเรื่องต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดให้ใจมีสติคอยกำกับให้อยู่กับเรื่องที่ให้ใจอยู่เช่นถ้าจะให้อยู่กับพุทธานุสติใช้พุโทโธเป็นที่ตั้งของสติก็ให้เราเลิกถึงคาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ การที่จะฝึกสติแบบนี้ได้ทั้งวันทั้งคืนนี้จำเป็นต้องไม่มีภารกิจการงานต่างๆคือต้องเป็นนักบวชนั่นเองถ้าเป็นนักบวชก็ไม่มีภารกิจเรื่องการต้องทำมาหากินเลื้องปากเลื้องท้องการทำมาหากินง่ายๆไปขอทานไปบิณฑบาตขอทานไม่ต้องใช้ความคิดไม่เหมือนกับญาติโยมที่ทำธุรกิจต่างๆเป็นพฤตการทํามาหากิน ต้องคิดว่าจะเอาเงินมาจากที่ไหนจะคิดว่าจะต้องขายอะไรจะต้องซื้ออะไรจะต้องทำอะไรล้จะต้องใช้ความคิดต่างๆในแต่ละวันเพื่อให้ได้รายได้เข้ามาจุนเจือร่างกายของตนเพระนั้นการเป็นค า, ารวาสนี้จึงไม่ค่อยเหมาะต่อการฝึกสติอย่างเต็มที่อย่างเต็มร้อยอาจจะฝึกได้เป็นบางช่วงเช่ น, น ช่วงที่ว่างจากภารกิจการงานเช่นวันหยุดทำงานซึ่งสมัยก่อนก็เป็นวันพระนี่ก็เข้าวัดไปเข้าวัดไปรักษาศีลไปฝึกสติไปวันที่ไม่ต้องทำงานก็สามารถอยู่แบบนักบวชได้ทำตัวเป็นนักบวชได้แบบชั่วคราว เอาเวลาทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับ mm. ให้คิดอยู่กับเรื่องของสติ mm. เรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าเราใช้พุทธานุสติ mm. ก็เราเระลึกถึงพุทโธพุทโธไปถ้าเราละลึกึงพุทโธพุทโธใจเราจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ mm. เพราะใจมันต้องคิดทีละเรื่อง ถ้าเราคิดอยู่กับพุทโธพุทโธมันจะไปคิดเรื่องทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่มันไปไม่ได้นอกจากเราเผลอพุทโธได้แค่คำสองคาแล้วก็ปล่อยให้ใจไปคิดเองมันก็คิดได้ที่วันเราพุทโธแล้วมันยัคิดได้อยู่ก็เพราะว่าเราไม่อยู่กับพุทโธอย่างต่อเนื่องนั่นเองเราอยู่กับพุทโธได้แวบสองแวบอ่ะแวบเผลอไปแล้วเผลอไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้ว อันนี้เป็นเรื่องปกติของผู้ที่เริ่มฝึกสติใหม่เพราะไม่เคยควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเวลายาวนานเลยปล่อยให้ใจไหลไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไปทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งมันติดเป็นนิสยัยเป็นสันดาลถึงแม้เราจะมาฝึกสติไม่ใช่หมายความว่าพอฝึกสติแล้วมันก็จะมาอยู่กับพุโทโธตามที่เราสั่ง มันก็มามาช่วงแค่สองสามวินาทีแรกพุทโธได้สองสามคำมาไปซะแล้วไม่ต้องทอ้อสำหรับผู้ที่ฝึกสติเริ่มต้นฝึกสติใหม่ๆเป็นเรื่องปกติที่จะจะเผลออยู่เรื่อยๆแต่ถ้ามีความเพียรพยายามฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆต่อไปสติก็จะมีกำลังมากขึ้นก็จะเผลอน้อยลงจะอยู่ จะอยู่กับอารมณ์ที่กำหนดไว้ได้นานขึ้นยาวขึ้นต่อไปจะมีการรับรู้อยู่กับอารมณ์อย่างต่อเ น, นื่องที่เราเรียกว่าเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาเริ่มต้นสติจะเป็นสติแบบขาดตอนขาดขา ด, ขาดหายหายแต่ต่อมาเมื่อสติมีไม่ขาดตอนไม่หายสามารถอยู่เป็นระยะยาวนานได้ เราก็เรียกว่าเป็นสัมปะชัญญะสติสัมปะชัญญะเรื่องต้นก็เป็นสติแบบล้มลุกคุกคานไปก่อนพุทธโธได้สองสามคำเผลอไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เห็บชักภาพใหญ่ๆก็ค่อยนึกถึงพุทธโธใหกลับมาที่พุทธโธใหม่พุทมาพุทธโธได้สักสี่ห้าคำไปอีกแล้วแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆต้องมีเจตนามี มีความตั้งใจว่าจะต้องให้อยู่กับพุโทโธให้ได้มากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องท้อแท้เบือหน่ายอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ที่ฝึกขัดในเบื้องต้นจาเป็นที่จะต้องมีการน้มนุกคุกคานเหมือนกับเด็กเด็กที่ยังไม่เคยเดิน ไม่เคยยืนีน่ยืนไม่ได้เดินไม่ได้วิ่งไม่ได้พรต้องคานไปก่อนแต่เห็นคนอื่นเขายืนได้ก็ต่อไปก็พยายามที่จะหัดยืนยืนเกาะไปบ้างเกาะ อ, อะไรบ้างแล้วก็ค่อยคอยหัดเดินทีละก้าวสองก้าวเดินได้สองก้าวก็ล้มลงมาคานาลุกขึ้นมาใหม่เดินใหม่ ก็พยายามทำไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> เดี๋ยวก็เริ่มเดินได้นะยืนได้นะ <Yeah. S 1> แล้วก็สามารถไปหัดทำอะไรต่างๆได้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนอบรมอยู่ที่ความเพียรพยายาม <Yeah. S 1> ถ้ามีความเพียรพยายามที่จะฝึกฝนอบรม <Yeah. S 1> ต่อไปก็จะต้องทำได้เ <Yeah. S 1> ช่นเดียวกับการฝึกฝนอบรม ให้มีสติอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นก็จะล้มลุกคลุกคลานไปเหมือนกับเด็กใจที่มาเริ่มฝึกขัดใหม่ๆก็เหมือนใจที่ไม่เคยไม่เคยเดินไม่เคยยืนไม่เคยวิ่งรู้แต่คลานไปพอที่จะมาสอนให้ยืนให้เดินก็จะล้มลุกคลุกคลานไปยืนได้สองก้าวเดินยืนขึ้นมาแล้วก็ แล้วก็ล้มลงไปก็ลุกขึ้นมายืนใหม่เดินได้สองสามก้าวแล้วก็ล้มลงไปใหม่ก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกสติไปเรื่อยๆพุโทโธไปได้สองสามคำนะแล้วก็หายไปแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอรึกได้ว่าเราไม่มีสติก็กลับมาพุโทโธพุโทโธใหม่ก็ จ, จะพุโทโธพุโทโธได้สักห้าหกคำ หรืออาจจะนานกว่านั้นก็ได้เพราะเริ่มมีความตั้งใจ ว, ว่าเราจะต้องมีพุทธโธอยู่เรื่อยๆพอรู้ว่าเผลอเมื่มอไหร่ก็เดึงใจกลับมาหาพุทธโธไปเรื่อยๆแบบอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะถ้าทำอย่างไม่หยุด mm hmm. ไม่หย่อนความเพียรพยายามจะนำมาสู่ความสำเร็จได้ mm hmm. นี่ก็สำหรับผู้ที่ไม่มีสติ นั่งสมาธิแล้วจิตไม่นิ่งจิตไม่สงบจิตคิดคิดฟุ้งซ่านจิตนั่งแล้วไม่นานก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกรู้สับประงกม่วงนอนนี่เป็นผลของการไม่มีสติสติยังมีกำลังน้อยจึงต้องฝึกสติมาก่อนนั่งไม่ใช่คิดว่าพอนั่งสมาธิแล้วจิตจะสงบตามคําสั่งได้เลย อยู่ที่สติมีสติหรือไม่มีสติถ้าไม่มีสตินั่งยังไงก็ไม่มีวันที่จะสงบได้แต่ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องนี่นั่งห้านาทีหรือสิบนาทีจิตก็เข้าฌานได้เข้าสู่ความสงบขั้นต่างๆได้อยู่ที่สติการนั่งสมาธินี่เรื่องท่านั่งนี้ไม่ค่อยเป็นเรื่องสาคัญเท่าไหร่เรื่องท่านั่งว่า นั่งเก้าอี้ได้ไหมนั่งนั่งนั่งขัดสมาดไม่ได้นั่งพับเทียบได้ไหมอันนี้ไม่ไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่มีสติหรือไม่มีสติถ้ามีสตินี้สามารถเข้าสมาธิได้ในทุกปีริยาบทเนืองแต่กําลังเดินหรือกาลังยืนบางทีมันก็จิตมันจะสงกขึ้นมามันก็สงบได้มันอยู่ที่ตัวสติที่คอยควบคุมความคิด พอยหยุดความคิดนี้เทนั้นเองบางทีจิตมันไ ม, ไม่ไม่สงบในตอนที่เรานั่งก็มีมันกลับมาสงบตอนที่เราไม่ได้นั่งเราเลิกนั่งแล้วพอตอนที่เราไม่ได้นั่งเราไม่ได้ไปคิดอะไรจิตยอยู่ว่างๆอยู่เฉยๆขึ้นมามันก็สงบขึ้นมาได้เอง้ น, นอย่กไปหวังว่าเวลานั่งสมาธิแล้วจิตจะต้องสงบเสมอไปบางทีมันไม่สงบเรายิ่งอยากไปให้มันสงบมันยิ่งไม่สงบใหญ่ ตัวความอยากนี่แหละเป็นตัวที่จะขวางความสงบเวลานั่งสมาธิอยากไปอยากให้มันสงบหรือเคยสงบมานั่งคราวที่แล้วคราวก่อนคราวนี้นั่งแล้วอยากจะให้มันสงบเหมือนคราวที่แล้ว <S <S นั่งแล้วก็พยายามคิดถึงความสงบของคราวที่แล้วถ้านั่งแบบนี้ก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้เพราะใจมันคิดคิดไปถึงอดีตคิดถึงผลที่เคยได้ในอดีตอยากให้มันได้เหมือนกับที่ ที่เป็นเหมือนในอดีตนั่งแบบนี้แล้วไม่ได้เรียกว่านั่งแบบไม่มีสตินั่งไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่จะได้แต่พอเวลาไม่ได้นั่งไม่ได้คิดไม่ได้อยากอะไรมันกลับรวมได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจให้มันรวมให้มันสงบมันก็สงบได้ขึ้นมาเพราะตอนนั้นมันมีสติมันไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่ไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมา มันกลับไปสงบในช่วงที่เราไม่ได้นั่งสมาธิก็มีแต่ไม่ได้หมายความจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไปนะอันนี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เพราะขณะที่เรานั่งนี้เราตั้งใจมากเกินไปอยากมากเกินไปอยากได้ผลมากเกินไปพอมันอยากแล้วมันก็ไม่ได้อยู่กับพุทโธพุทโธมันไปอยู่กับผล อ, อยากให้มันสงบเวลามันสงบแล้วมีความสุขเลือเกิน ทำไมวันนี้นั่งนิยมทาไมยังไม่สงบสถีถ้านั่งคิดแบบนี้มันก็ไม่มีวันที่สงบได้อย่าไปคิดถึงอดีตถึงความสงบที่เคยได้ที่ผ่านมาอย่าไปอยากให้ความสงบเกิดขึ้นให้อยู่กับสติให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปคอยดูว่าใจอยู่กับพุโทโธอย่างต่อเ น, นื่องหรือไม่ถ้าเผลอไปเมื่อไหร่ก็ต้องนึกกลับมาถ้าเผลอบ่อย การนั่งสมาธิก็จะไม่ได like ้ผลอย่างแน่นอนก็ต้องไปต้องยอมรับว่ามันเกิดจากการที่เราไม่มีสตินั่นเองไม่ได้อยู่ที่อะไรทั้งสิ้นอยู่ที่การมีสติแลอไม่มีสติในวิธีนั่งก็อาจจะใช้กรรมฐานหลายอย่างบางคนจะใช้พุทโธอย่างเดียวก็ได้บางคนจะใช้ดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวก็ได้บางคนจะใช้พุทเข้าโทออกก็ได้ บองคนจะใช้ยุบหนอพองหนอก็ได้วิธีการเหล่านี้มันเหมือนกันมันเป็นวิธีการที่จะทำให้ใจ ม, มีสติขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีถ้าทำแล้วใจไม่มีสติใจมันลอยไปลอยมามันไม่มันไม่อยู่กับกับลมไม่ได้อยู่กับพุทโธไม่ได้อยู่กับยุบหนอพองหน อ, อก็แสดงว่ามันไม่มีสติ อนวิธีการนั่งนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญก็คือการมีสติหรือไม่ในขณะที่เรานั่ง<ม>ถ้าเราใช้พุทโธเราเวลาเรานั่งเราอยู่อยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวได้หรือไม่มในเวลาดูลมหายใจเข้าออกใจเราไม่ได้ไปคิดเรื่องนัน้เรื่องนี้อยู่กับลมหายใจได้ไห ม, มถ้าดูลมมันก็ต้องดูที่ปลายจมกูก หรือถ้าดูที่หน้าท้องก็เขาเรียกว่าดูแบบยุบหนอพองหนอ่อดูที่หน้าท้องก็คือเวลาลมเข้าท้องมันก็จะพองขึ้นมาเวลาลมออกท้องก็จะยุบลงไปสำหรับคนที่ดูหน้าท้องก็อย่าดูที่การยุบการพองของท้องนี่เองของหน้า อ, อกอยุบคะลมเข้าก็หน้า อ, อกก็พองขึ้นมา ลมหลอกหน้า อ, อกก็ยุบลงไปเขาก็ใช้คำบริกรรมยุบหนอพ้องหนอไปแต่สํำหรับคนที่ใช้พุทโธก็อยู่กับคำบริกรรมพุทโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับลมหายใจเลยลมจะเข้าลมจะออกไม่ต้องไปรับรู้เลยให้รับรู้อยู่กับคำบริกรรมเพียงอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธไป พุธทโทจะช้าบ้างก็ได้จะเร็วบ้างก็ได้เราสามารถปรับได้ถ้าใจเราฟุ้งมากดื้อมากก็อา จ, จะต้องเร็วหน่อยบังคับให้เพื่อมันจะได้อยู่กับพุธทโทมีความพยายามที่จะต้องอยู่กัพุธทโทมากขึ้นแต่ถ้ามันไม่ดื้อมันไม่ฟุ้งก็พุธทโทแบบสบายๆพุธทโทพุธทโทไปก็ได้แต่ถ้าเราเอาพุธโธไปผูกกับลมแล้วนี้ เราเปลี่ยนความเร็วของพุธโทไม่ได้ต้องต้องเป็นไปตามลมหายใจลมเข้าก็ว่าพุธลมออกก็ว่าโทจะให้พุธโทเร็วขึ้นก็ไม่ได้แด้พุธพุธโทช้าลงก็ไม่ได้เพราะมันไปผูกติดไว้กับลมหายใจซึ่งบางครั้งบางคราวใจเรามันไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่นิ่งบางทีมันดือ้อบางทีมันสนบางทีมันคิดมาก การจะใช้พุทโธบางทีก็ต้องมีการเปลี่ยนความเร็วช้าเร็วให้ถ้ามันถ้ามันคิดมากก็อาจจะต้องพุทโธให้เร็วขึ้นให้ให้ถี่ขึ้นถ้ามันไม่คิดมากก็พุทโธให้เบาให้ช้าลงก็ได้หรือพุทโธเมื่อพุทโธไปสักระยะนึงอาจจะเหนื่อยจากการพุทโธเร็วๆก็พุทโธให้มันช้าลงไปก็ได้ถ้าเราใช้พุทโธเราสามารถปรับ ความช้าความเร็วได้แต่ถ้าเราไปปลูกพุโทโธไว้กับลมหายใจเข้าออกนี่เราจะต้องไปตามลมหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โธแต่ถ้าจิตในช่วงที่ในช่วงระหว่างเข้ากับออก ม, มันไม่มีพุทไม่มีโธช่วงนั้นมันก็อาจจะมีความคิดเข้ามาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดไปคิดมาพุโทโธหายไปลมหายไปเราไปอยู่กับความคิดแทนใช่ไห อันนี้ก็แล้วแต่จริตความพอดีความพอใจของผู้ปฏิบัติบางคนก็ต้องมีพุทธเข้าโทออกถึงจะนั่งได้บางคนก็ไม่ต้องพุทธโทอย่างเดียวเลยหรือดูลมหายใจอย่างเดียวหรือบางคนดูลมก็ไม่ได้พุทธโทก็ไม่ได้ก็ต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนบางคนก็สวดบทอิติปิโส สวดไปหลายๆรอบสวดจบรอบหนึ่งแล้วยังไม่นิ่งยังฟุ้งอยู่ก็สวดรอบที่สองสวดไปหลายๆรอบจะรู้สึกใจเริ่มนิ่งนะครับใจเริ่มหายฟุ้งซ่านแล้วแต่ยังไม่รวมแต่ก็สงบลงสงบระงับจากความฟุ้งซ่านเข้ามาสู่แล้วสู่ระดับความเป็นปกติก็ยังมีความคิดอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับฟุ้งพอที่จะมากากับ ให้อยู่กับพุโทโธได้หรือพอที่จะให้มาดูลมหายใจได้ก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนจากการสวดมนต์หลังจากที่ตอนต้นเวลานั่งนั่งดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้มันจะคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ใช้บทสวดมนต์มาคอยระงับมันสวดไปเรื่อยๆสวดไปจนกว่า มันจะไม่ไปคิดถึงคนนั้นไม่ไปคิดถึงคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้หรือถ้าคิดก็คิดน้อยมากมานานจะเผอวับขึ้นมาพัดทินช่วงนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนมาจากการสวดมาเป็นการดูลมหายใจท่อหรือการบริกรรมพุทโธอย่างเดียวก็ได้เพราะการที่จะทําให้ใจนิ่งสงบเข้าเป็นสมาธิเป็นฌานได้ใจต้องเป็นหนึ่ ง, เ ป, เ, งเป็นเอกคักกตารลม มีอารมณ์เดียวเช่น<ม>เรานั่งสมาธินี่เราต้องมีอารมณ์เดียว<ๆ>จิตถึงจะรวมได้ดีมีอารมณ์เดียวกับอะไรกับพุโทโธก็ได้ให้ world, มีอารมณ์เดียวอยู่กับพุโทโธไม่ต้องไปดูลม <S <S <ult ans> ไม่ต้องอะไรไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องฟังเทศฟังธรรมดูลมเไงอย่างเดียวพุทโธเอ่อพุโทโธไปอย่างเดียวพุโทโธไปเรื่อยๆหรือถ้าจะดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวดูลมไปเรื่อยๆ นนี่หมายถึงในช่วงที่เราสามารถนั่งดูลมได้แล้วมีสติกําลังพอที่จะดูลมได้มีสติกําลังพอที่จะอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวได้แต่ถ้ายังไม่มีสติแล้วมีความฟุ้งซ่านมากไม่สามารถดูลมได้ไม่สามารถอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวได้ก็ต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้หรือใช้การฟังเทศฟังธรรมไปก็ได้ในกรณีนี้ นั่งดูลมไม่ได้นั่งพุทโธไม่ได้<ม>สวนมนก็ไม่ได้ก็ลองเปิดฟังธรรมะไปก่อนก็ได้<ม>ใช้ธรรมะเป็นอารมณ์แทน<ม>เพราะการฟังธรรมนี้มันมันง่ายไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ให้มีสติอยู่กับการฟังทนั้นเองไม่เหมือนกับการสวดมนต์ต้องมีสติอยู่กับบทสวดมนต์แลวต้องต้องต้องจาบทสวดมนต์ได้<ม>นี่คือขั้นตอนต่าง ของการฝึกสติเพื่อทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาซึ่งผู้ปฏิบัติแต่ละท่านนี้ก็จะมีกำลังของสติมามากน้อยต่างกันเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกสติเพียงแต่พบนี้ชาตินี้เท่านั้นชาติก่นกอนๆนี้เราก็เคยอาจจะเคยฝึกสติมาบ้างพวกเราทุกคนนี้มีระดับสติไม่เท่ากันบางคนมีน้อยบางคนมีมาก คนที่มีน้อยนี่เวลาฝึกนั่งสมาธินี่จะรู้สึกยากลำบากแต่คนที่มีสติมากนี่จะรู้สึกฝึกนั่งสมาธินี่ง่ายไม่ยากเย็นอะไรบางคนนี่นั่งเพียงห้านาทีจิตก็รวมเป็นฌานได้เป็นสมาธิขึ้นมาได้อันนี้เรียกว่าบุญเก่าบารมีเก่าชาติก่อนเคยเคยเเค ย, เคยอาจจะเคยไปบวชมาเคยไปฝึกสติเคยไป ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกรัรการนั่งสมาธิการเจริญสติของเหล่านี้มันติดมากับใจมันฝังมากับใจเป็นนิสัยถ้าเคยทํามาแล้วมันก็จะง่ายคนบางคนนี้ถึงรู้สึกว่าเวลานั่งสมาธินี้มันง่ายแสน ง, ง่ายบางคนนี้นั่งสมาธิรู้สึกมันยากแสนยากทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นเป็นคนเหมือนกันนีไม่ดีเป็นพี่น้อง เป็นฝาแฝดเป็นพี่น้องเกิดจากพ่อแม่คนเดียวกันก็ตามแต่บุญที่ติดมากับจิตของแต่แตละคนนี้มันไม่เหมือนมันไม่ได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่มีสมาธิไม่ได้หมาความพ่อแม่สามารถถ่ายทอดสมาธิมาให้กับลูกๆได้สิ่งที่พ่อแม่ถ่ายทอดให้กับลูกได้ก็คือรูปร่างหน้าตาของพ่อแม่ทั้งสีผมจะสีอย่างไรตาจะเป็นสีอะไรหน้าตาจะมี มีหน้าตายอย่างไรอย่างนี้เอามาจากพ่อจากแม่ได้แต่เรื่องจริตนิสัยเรื่องความรู้ความสามารถต่างๆของใจนี้เป็นเรื่องของอดีตชาติของใจที่ได้ไปได้ไปรับไปฝึกฝนอบรมมาหรือไปไปไปรับผลจากการกระทาต่างๆที่ได้ทาไวมาอันนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่คนเราจึงมีความสามารถทางด้านสติไม่เท่ากัน สติศีนก็ไม่เท่ากันบางคนชาติก่อนๆเคยฝึกเคยรักษาศีนอยู่อย่างสม่าเสมออยู่อย่างต่อเนื่องพอมาเกิดชาตินี้ให้รักษาศีนก็ง่ายแสงง่ายคนบางคนชาติก่อนไม่เคยรักษาศีนไนชอบทำบาปชอบประพฤติผิดประเพณีชอบเดือดรุ่ยรายาเมาชอบเล่นการพนันพอมาเกิดชาตินี้มันก็จะมาทาตามสิ่งที่มันเคยชอบต่อไป พอจะมาให้รักษาศีนก็รักษาไม่ได้ไปอยู่วัดก็อยู่แล้วก็อยู่ไม่ได้เพราะอยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องทําผิดศีนแอบไปแอบไปหาสุรามาดื่มเ <S S S> ชื่อไหมบางคนมาอยู่วัดแล้วยังแอบไปหาสุรามาดื่มก็มี <S S <c oughs> เพราะมันทนไม่ไหวมันอดสู้ความอยากไม่ไหวพอเกิดความอยากจะดื่มสุราขึ้นมา ม, นมันก็เลยต้องไปทําผิดศีนผิดกฎ ผ, ผิดระเบียบ อันนี้เป็นเรื่องของเรียกว่าวิบากหรือเรื่องของบาลมีถ้าเป็นเรื่องดีเราก็เรียกว่าบาลมีถ้ามีศีลติดมา น, นี่มันก็เรียกศีลบาลมีถ้ามีทานบาลมีอ uh huh. ถ้าเคยเป็นคนชอบทําบุญทําทานเว uh huh. ลามาเกิดชาตินี้ก็ทําบุญทําทานง่าย uh huh. ชอบช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ชอบ uh huh. ทําบุญทำทานให้กับองค์กรนะไรต่างๆ เห็นปั๊บก็อยากจะทําทันทีเพราะเขาทําแล้วมีความสุขแต่พวกที่ไม่เคยทํามาก่อนนี่ก็จะไม่ทำเลยใครก็จะทําบุญทําอะไรก็ไม่สนอันนี้มันเป็นเรื่องของบารมีของวิบากกรรมของแต่ละคนที่เคยทํามาในอดีตจึงทําให้มันมีความแตกต่างกันในปัจจุบัน พอชานี้พบนี้ได้มันเจอพักพุทธศาสนาได้มันได้ศึกษามาเร่มเรียนก็เกิดศรัทธาอยากจะปฏิบัติบ้างแต่พอจะลองปฏิบัติบางทีก็รู้สึกว่าทำไมมันยากเหลือเกินทาไมต้องรักษาศีลต้องห้าข้อทําไมต้องพูดโกหกไม่ได้ทําไมประพฤติผิดประเพณีไม่ได้ทําไมรักทรัพย์ไม่ได้เขาไม ie ่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่จะมาสนับสนุนในการปฏิบัติ เพให้จิตได้ก้าวหน้าได้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้คนที่เคยมีศีลมาแล้วพอมากิดชาตินี้ก็รักษาศีลได้ดีไม่ดีไม่ต้องมีคนสอนก็มีมันเป็นนิสัยคนที่ไม่ชอบทำบาปแล้วมันจะไม่ไม่อยากจะทาบาปบางทีเห็นเพื่อนชวนไปยิงนกตกปลาแต่ตัวเองกลับไม่ชอบกลับไม่อยากไป เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันมันขัดกับความรู้สึกคอยคอยฝึกคอยคอยสอนให้ใจทำแต่บุญไม่ให้ทำบาปพอใครมาชวนให้ไปทำบาปมันก็จะไม่อยากจะทำขึ้นมาในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นคนที่ชอบทำบาปนี้บา mm. งทีไม่ต้องชวนค น, คนอื่นไม่ต้องชวนตัวเองอาจจะชวนตัวเองหรือชวนคนอื่นไปทำบาปชวนไปกินเหล้า ชวนไปขโมย ล, ลักขโมยข้าของเงินทองชวนไปทำผิดกดระเบียบอะไรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของความยากง่ายของการปฏิบัติทางธรรมเราต้องยอมรับ ว, ว่าอาดีตของเราแต่ละคนนี้มีมาไม่เหมือนกันสร้างบุญสร้างบารมีสร้างวิบากกรรมาไม่เท่ากันจึงทำให้การปฏิบัติ ของแต่ละคนนี้ยากง่ายต่างกันพระพุทธเจ้าเคยทรงแยกพวกนักปฏิบัติไว้เป็นสี่พวกด้วยกันพวกที่หนึ่งเป็นพวกที่ปฏิบัติง่ายและรู้บรรลุธรรมได้เร็วพวกนี้เป็นพวกอะไรเป็นพวกที่อดีตชาตินี้ได้ฝึกสติได้ฝึกสมาธิได้นั่งได้รักษาศีลมา พอมาฝึกสติแร้นั่งสมาธิก็ก็ง่ายไม่มีรู้สึกยากเย็นอะไรนั่งหลับตาหนาทีจิตก็นิ่งจิตที่สงบได้แล้วพอเข้าขั้นปัญญาพอพิจารณาริยาศาศาสัจส์พิจารณาตายรักก็สามารถบรรลุทําได้ทันทีเรียกว่าบรรลุเร็วเพราะมีความฉลาดเข้าใจหลักของตัต ก, กะคือเหตุและผลเข้าใจว่าทุกข์เกิดจากความอยาก เข้าใจว่าสิ่งที่อยากนี้เป็นทุกข์<ม>ก็หยุดความอยากได้ mm. พอหยุดความอยากได้ทุกข์ก็จะหายไป mm. แค่นี้แหละถ้าฟังแค่นี้แล้วสามารถทาตามได้นี่ก็สแสดงว่าเป็นคนฉลาดมากเข้าใจตักกะเข mm. ้าใจเรื่องกฎของเหตุและผล mm. อันนี้แล้วก็พวกที่ปฏิบัติง่ายและรู้เร็วบรรลุธรรมได้เร็วจะ<ส> mm. เป็นคนที่มีกิเลสบางปัญญา ปัญญาแหลมคมฉลาดแหลมคมพวกที่หนึ่งพวกที่สองเป็นพวกที่ปฏิบัติง่ายแต่บรรลุชา้านะพวกนี้ก็คอยฝึกสติคยฝึกนั่งสมาธิมาแต่ยังคิดทางปัญญาไม่เป็นยังไม่เก่งคิดทางกดทางหลักของตา ก, กะยังคิดไม่เป็นว่าเหตุกับผลมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะพวกนี้ก็ต้องใช้เวลานะมาศึกษาวิธีคิดใหม่คิดด้วยเหตุด้วยผลจนต่อไปก็จะเข้าใจว่าอ๋อ อะไรทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาอะไรจะทำให้สิ่งนี้ที่เกิดขึ้นมาดับไปได้อันนี้ก็เป็นพวกปัญญาเขาเรียกปัญญาทึบแต่แต่กิเลสเบาบางเคยได้ฝึกผลมาในอดีตมาก่อนทำรากกิเลสให้เบาบางทำให้เวลาฝึกเซ็เวลาฝึกสมาธินี้ฝึกง่ายแต่ยังบรรลุทําได้ช้าเพราะว่ายัางไม่ได้ คิดไปในทางตักกะคิดไปในทางเหตุผลนั่นเองพวกที่สามนี่เป็นพวกที่ปฏิบัติยากแล้วก็แต่บรรลุเร็วพวกนี้ก็คือเป็นพวกที่ไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกสมาธิมาแนด่ดีเวลาเราฝึกสติวก็ฝึกสมาธิก็รู้สึกมันยากต้องใช้เวลาเวลามากกว่าที่จะสามารถเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้ แต่พอเข้าสู่เข้าสู่สมาธิเข้าสู่ฌาขนขั้นต่างๆได้เอมัาเจริญปัญญาพวกนี้จะ บ, บรรลุธรรมได้เลยเพราะรู้จักคิดด้วยด้วยตักกะ ร, รู้จักคิดด้วยเหตุด้วยผลรู้ว่าความอยากทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมารู้ว่าวิธีจะหยุดความอยากก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากเป็นทุกข์อพอเข้าใจหลักนี้ก็สามารถบรรลุธรรมได้ทันที กำจัดความอยากต่างๆตัวที่เป็นเหตุที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจตรงนี้ก็คือเป็นพวกที่มีมีบารมนีเก่าติดอยูมาทําให้นั่งสมาธิได้ง่ายได้ได้ไม่มีสมาธิไม่มีบารมีเก่าในการฝึกสติฝึกสมาธิแต่มีความสามารถที่จะคิดตามตักกะได้ตามหลักเหตุผลได้ตรงนี้เวลา ป, ปฏิบัติขั้นสมาธิจะยาก แต่พอผ่านขั้นสมาธิแล้วเอามาทางขั้นปัญญาก็จะเร็วะจะเข้าใจทันทีแล้วพวกสุดท้ายนี่ก็เป็นพวกที่ปฏิบัติก็ยากมัรลู ก, ก็ันรลุ ก, ก็ช้าพวกนี้ก็คือชาติก่อนก็ไม่เคยฝึกสติไม่เคยนั่งสมาธิมาเลยเวลายากมาฝึกสติมานั่งสมาธิจะรู้สึกเหมือนเข็นคบขึ้นภูเขารู้สึกมันยากแสนยากนั่งสมาธิแค่ห้านาทีนี้แทบจะเป็นแทบตายไละ มีแสดงอาการของคนที่ไม่มีสติอก็ต้องพยายามฝืนฝึกสติแต่ยากก็ต้องหัดสู้แล้วพอผ่านขั้นสมาธิไปได้ก็มายากที่ขั้นปัญญาอีกเพราะไม่เคยคิดไม่เคยคิดตามหลักของเหตุและผละคิดตามอารมณ์ อ, อารมณ์กับเหตุผลนี่มันไม่เหมือนกันอารมณ์โกรธก็คือเวลาโกรธต้องทํานู่นทํานี่ทำํำต้องนั้นแค้นี่อาอารมณ์โกรธ การที่จะไปดับความทุกข์กลับไปเสริมความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นแต่คิดโดยตัด ก, กะว่าการที่จะดับความโกรธก็ต้องให้อภัยเพราะว่าความโกรธเกิดจากความอาคาตพยาบาทถ้าให้อภัยได้ไม่อาฆาตพยาบาทความโกรธก็จะหายไปความทุกข์ก็จะหายไปต้องหันมาคิดตามตัด ก, กะคิดด้วยเหตุด้วยผลเหตุก็คือการกระทําเหล่านี้ทําให้เกิดผลคือ สิ่งเหล่านี้ปรากฏต่างขึ้นมาเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาเกิดจากเหตุคือความอยากของเรา mm. เป็นต้น mm. นี่ก็คือพวกที่ต้องมาฝึกทั้งสองอย่างฝึกทั้ง mm. ฝึกสติฝึกสมาธิพอได้ขั้นสมาธิแล้วก็ต้องมาฝึกขั้นปัญญาฝึกคิดตามหลักของเหตุผลนี่คิดตามตรร ก, กะคิด mm. ในอริยสัจสีว่าทุกข์เกิดจากความอยาก การที่จะทําให้ทุกข์หายไปก็ต้องหยุดความอยากการที่จะหยุดความอยากก็ต้องเห็นสิ่งที่อยากว่าเป็นทุกข์อย่าวนไปเวียนมาอย่างนี้ผู้นี้อาจจะฟังแล้วงงทั้งงงก็แสดงว่าไม่เข้าใจไม่มีตั ก, กะยังคิดทางตั ก, กะไม่เปน็นนี่ก็คือผลที่เกิดจากอดีตที่เราได้ทํามามันส่งผลให้กับเราชาตินี้ ถ้าชาติก่อนเราไม่บำเพ็ญบารมีมาเลยไม่ฝึกสติไม่นั่งสมาธิเลยเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ในชาตินี้แต่ถ้าเราเคยฝึกสติฝึกสมาธิมาแล้วเราก็ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่เราสามารถมาทำต่อยอดได้เลยเหมือนกับเวลาที่เราย้ายบ้านจากจังหวัดนี้ไปจังหวัดนีงเราเคยเรียนอยู่ชั้นไหนเราก็ไปต่อที่ชั้นนั้นได้เลยเคยเรียนม .4 ก็เรียนไปปไปต่อม .4 ไม่ต้องไปเริ่มที่ป .1 มชั้นใด สิ่งที่เราบําเพ็ญมาทางด้านจิตใจก็เหมือนกันถ้าเรามีสติขั้นนี้แล้วพอเรามาเกิดชาณิสติขั้นนี้มันก็จะอยู่กับเราแล้วก็มาทําต่อยอดได้เลยถ้าเราไม่มีสติเลยเราก็ต้องมาเริ่มต้นที่ศูนย์หน่อยแคนี้นี่ก็คือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการฟังธรรมการฟังธรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่นําไปสู่การปฏิบัติ แล้วการปฏิบัติก็จะนําไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆตามลําดับเริ่มต้นที่ด้วยการฟังธรรมที่ถูกต้องรู้จักวิธีการฟังธรรมที่ถูกต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบหลังจากที่ฟังแล้วเข้าใจแล้วว่าจะต้องปฏิบัติอะไรก็นําเอาไปปฏิบัติขาดอะไรก็ต้องเติมให้เต็มขาดศีลก็ต้องเติมให้ศีลให้เต็ ม, ม, มาขาดสมาขาดสมาธิก็ต้องเติมสมาธิให้เต็ม หากปัญญาก็ต้องเติมปัญญาให้เต็มนี่เรียกว่าการปฏิบัติพอศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยแล้ววิมุตติการุดทนจากความทุกข์ในระดับต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็วอย่างง่ายดายนี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวล า, าจะขออนุโมทนาให้พร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 ภราสยธาสัพีตโยวิวาจันตุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวตวันตาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิศะนิจจังุทธาปจายโนจตารโหธรมมวาทานเตอายุวันโอสุขัง <า>ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามต่อองถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่สะดวกที่จะถามเพราะหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่สะดวกงั้นใครอยากจะถามก็ถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองอยากจะก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตสา1คนอยเก้าสิบอ็ดคนพระสุชาติไลฟ์สามร o อยยี่สิบสามยูทูบด e อกเรวชหกสิบเอ็ดวิทยุออนไลน์8ลับฮ์เจผู้รับฟังธรรมะหน้ากุฏิหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดคนรวมทั้งหมดเก้าร้อยสิบเจ็ดครับ okay. อย่ยมเชิญอนะ่ะหยิบเอาไมถามเลยถามเอาไหมได้ยินครับพูดใกล้ๆปากเลยเ อ, อ๋อเวลาเราเดินภาวนาพุทโธเนี่ยเราเราเราปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงก็ปฏิบัติทย่งนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยว ด, ดีการเป็นการฝึกสติไงหลังแล้วก็เรามานั่งสมาธิต่อ ต้สมมติว่าที่บ้านมีทางสมมติทำทางสงคมอย่างเงี้ยแล้วเราก็เดินของเราไปเรื่อยได้เดินทั้งวันได้ก็ยินดีครับแล้วก็เวลาก็สลับมานั่งสมาธิด้วยครับอย่าเดินอย่างเดียวแล้วก็มานั่งต่อแล้วก็ไอ้เวลาเดินนี่เราใส่รองเท้าได้ไหมได้ได้ได้เลยครับได้บางคนบอกว่าไม่หมอก็แล้วแต่ถ้าเราไม่หมอก็ไม่ต้องใส่ ถ้าหมองก็ใส่ไม่มีข้อห้ามไม่มีคําสั่งว่าห้ามเดินใส่รองเท้าไม่มีคํา้อห้ามแต่อย่งใดถ้าเราภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นยังไงช่างเราก็ยึดตามแนวนี้ไปเรื่อยก็ต้องเดินนั่งๆเราให้จิตรวมเป็นสมาธิให้ได้อไม่ใช่เดินแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรเดินแล้วก็ต้องไปนั่งสมาธิต่อนั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นสมาธิขึ้นมา ตอนเดินนี่เป็นสรรมาธิได้ไหมครับไม่ได้ได้แค่ะสะติสตินะสะติตใจไม่ลอยไปลอยมาแต่ให้นิง่งจิตนวมนี่ต้องนั่งสมาธิต้องนั่งเฉยๆหรือยืนเฉยๆนั่งเฉยๆ <c oughs> ก็ได้นั่งนั่งไม่จําเป็นต้องนั่งอี ไ, ได้นั่งเขี้นั่ ง, ง<ๆ>แบบนี้ก็ได้คอยมีสติกบกลมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องเงินเรื่องนี้ให้ได้เพราะตอนนี้ผมปฏิบัติว่าตอนเช้าประมาณนึกก่อนแปดโมงนี่เดินนึก สามสิบนาทีหรือชั่วโมงได้ทำได้ทำได้ทาเยอะๆยิ่งมากยิ่งดีครับนะครับครับครับถามได้เลย คำถามจากผู้รับฟังธรรมนากุติครับในชีวิตประจําวันมีสติแบบรวมๆไม่เจาะจงรู้ลมหายใจรู้การเคลื่อนไหวรู้ใจไปคิดตั้งมั่นบ้างไม่ตั้งมั่นบ้างรู้รู้หลงหลงเห็นสภาวะนั้นแล้วพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นซ้ําๆบ่อยๆไม่ทราบว่าเป็นการเดินปัญญาและปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ครับไม่ถูกครับ มันเล่นแบบจับไฉมือนแบบเอาไอ้นู่นนิดเอาไอ้นี่หน่อยเลยไม่ได้ทักอย่างจับปลาสองมื อ, อเอาอย่างเดียวจับจับปลาด้วยสองมือดีกว่าจับคือจับตัวเดียวด้วยสองมือดีกว่าจับสองตัวด้วยสองมือนี่มันจะจับยากกว่าเราะฉะนั้นเอาสติก่อนปัญญายังไม่ต้องไปสนใจแล้วไอ้ปัญญาที่ว่าเป็นปัญญามันก็ไม่ใช่เป็นปัญญาหรอกมันไม่ได้เป็นปัญญาที่เอามาดับความทุกข์ใจได้ รู้ไปก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร <S <S สิ่งที่เราต้องฝึกก่อนก็คือสติให้มีสมาธิแล้วจะมีกําลังใช้ปัญญาในการหยุดความทุกข์ต่างๆได้เะฉะนั้นทำให้มันเป็นขั้นเป็นตอน <S <S อย่าทําแบบรูปผสมเอาทุกอย่างเลยเอาอย่างละนิดอย่างละหน่อยอสติก็เอานิดนึงสมาธิก็เอาหน่อยหนึ่งปัญญาก็เอานิดนึงสรุปแล้วก็ไม่ได้เลยทั้งอย่าง อย่าต้องเอามันเป็นเรื่องเป็นเลาไปฝึกสติให้มีสัมปะชัญญะให้มันรู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็นั่งสมาธิทําจิตให้รวมเป็นสมาธิให้ได้เมื่อได้สมาธิแล้วทีนี้ค่อยไปทางปัญญาพิจารณาสิ่งที่มันจะทําให้เราทุกข์ว่ามันเกิดน่าต้องดับเช่นร่างกายไอสิ่งที่มันไม่ได้ทำให้เราทุกข์ไม่ต้องไปพิจารณามันเสียเวลาอายเรื่องที่มันทําให้เราทุกข์พอเราต้องการมาดับความทุกข์ใจ อย่างลมพัดลมพัดแล้วก็หยุดนี่มันไม่มาทําให้เราทุกข์ไม่ต้องไปพิจารณาว่ามันเกิดดับหรอกมันไม่มีความความหมายอะไรเราไปพิจารณาร่างกายของคนที่เรารักดีกว่าเช่นพ่อแม่ของเราสามีภรรยาของเราลูกของเราเนี่ยเขาเกิดแล้วเขาต้องดับไหมแล้วเรายังทุกข์กับเขาอยู่หรือเปล่าถ้ายัางทุกข์อยู่ก็แสดงว่าเรายังตัดความดับความทุกข์ใจไม่ได้เพราะเรายังมองไม่เห็นว่าเขาเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับ น, นั่นเอง คำถามต่อไปจากทางอินบ็อคุณเปลี่ยนการที่เราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเพราะเห็นการทำงานของระบบในร่างกายที่เป็นไปเองโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้สั่งมันให้ทำเช่นการไหลเวียนของเลือดหรือการฟอกอากาศโดยปอดการพิจารณาเช่นนี้ทำให้ลูกปล่อยวางการยึดติดในร่างกายนี้ลงไปมากถ้าทำไปแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่ได้พิจารณาอสุภะ จะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับก็มีหลายขั้นไงขั้นแรกก็บรรลุได้ถ้าไม่ถ้าเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราห้ามมันไม่ได้มันจะแก่ก็ห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ห้ามมันไม่ได้มันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้แล้วไม่ไปทุกข์กับมันก็จะได้ขั้นนี้แต่ขั้นสุขานี้ต้องต้องต้องพิจารณาถึงจะขึ้นสู่ขั้นที่สูงกว่านี้ได้แต่ขั้นแรกนี้พิจารณาร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรา ถ้าเราไปยิดไปติดมันก็จะทำให้เราทุกข์อพอผ่านขั้นนี้แล้วเราก็ต้องไปขั้นอสุภะเพื่อตัดกามอารมณ์มที่เรายังไปหลงรักคนนั้นคนนี้ยังอยากให้เขาเป็นแฟนของเราเป็นผัวเราเป็นเมียเราอยู่อพอเขาเป็นอะไรไปหรออเราต้องอยู่คนเดียวก็รู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาขึ้นมาอันนี้ต้องตัดกามอารมณ์ให้ได้ด้วยการให้มองให้เห็นอสุภะคาถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์คุณจ้ำ เจอคนที่มีความโลภและเห็นแก่ตัวมากๆเราควรทําอย่างไรครับก็เหมือนกับเจอกองขยะจะทํำยังไงกองขยะก็เดินหนีใช่ไหมไปอยู่ใกล้ทําไมมันเหม็นอ่ะก็เหมือนกันคนไม่ดีก็เหมือนกองขยะก็ไม่อย่าไปยุ่งกับเขาท่านเองไปยุ่งกับเขาทําไมคําถามต่อไปจากคุณบ SI มีสองคำถามครับ จิตดวงนี้เกิดตายมานับพบนับชาติไม่ถ้วนในแต่ละวันมีจิตที่เกิดใหม่ที่นับเป็นพบแรกชาติแรกแรกของจิตดวงนั้นหรือไม่ครับไม่มีหรอกจิตตอนนี้มันไม่เกิดมันไม่ดับไอที่มันไปเกิดไปตายมันคือร่างกายมันไปได้นั่งกายมาแต่ละครั้งแต่นั่างกายที่เรามีอยู่นี้ไม่ใช่เราเราคือจิตมาครอบครองมันมันไปซื้อร่างกายไปซื้อรถยนต์คันหนึ่งเนี้ยซื้อรถยนต์คันหนึ่งขับไปสักพักหนึ่งหปีสี่ปีมันก็พังแล้ว พันก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนรถคันใหม่มีรุ่นใหม่ดีกว่าเกา่าก็เปลี่ยนไปร่างกายนี้ตายไปจิตก็ไปไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่แต่ตัวจิตเองไม่เกิดไม่ดับตัวจิตก็เป็นตัวจิตที่ไม่มีวันเกิดไม่มีวันดับที่มัมนไปเกิดไปดับก็คือไปได้ร่างกายที่เกิดดับแล้วเราเร า, เรานับพบชาติอยู่ที่ร่างกายไม่ได้นับที่พบชาติที่จิตจิตไม่มีวันเกิดจิตไม่มีวันตายจิตเป็นนามะตะ เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครสร้างขึ้นมามันเป็นของธรรมชาติเหมือนดินฟ้าดินดินน้ำํำดินไฟนี้ไม่มีใครสร้างมันขึ้นมามันมีเป็นอยู่ของมันมาทุกยุคทุกสมัยเนี่ยธาตุสิ่งที่ไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีอยู่หกธาตุด้วยกันจิตก็คือธาตุรู้ร่างกายก็ประกอบด้วยธาตุสีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟแล้วก็อวกาศสธาตุคือความว่าง응 ของเหล่านี้มันมีอยู่เป็นอยู่ของมันมาตลอดเวลาไม่ได้เกิดไม่ได้ดับดถ้าเราไปคิดในในในหลักของการเกิดดับเราก็จะงงเอ๊ะมันมมีสิ่งที่ไม่เกิดได้หรือมีสิ่งที่ไม่ดับได้หรือมีมันเป็นของนันอย่างนั้นในโลกนี้มัน ม, มีทั้งสองสิ่งที่เกิดและดับแล้วสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับคำถามต่อไปจากท่านเดิมครับ การที่พ่อค้าแม่ค้ามีทริคและตุกติกในการขายของแบบนี้ถือว่าผิดศีลหรือไม่ครับอยู่ที่เจตนาถ้าตั้งใจจะโกงก็ผิดถ้าไม่ตั้งใจจะโกงก็ไม่ผิดถ้าพูดตรงไปตรงมาก็ไม่ผิดไม่ได้โกหกหลอกลวงก็ไม่ผิดไม่มีเจตนาที่จ ะ, อะชอโกงแต่อย่างใดคำถามต่อไปจากคุณนาง การที่เราจะสวดมนต์สวดพระคาถาต่างๆจิตต้องรวมเป็นสมาธิก่อนไหมครับไม่ถ้ารวมเป็นสมาธิก็ไม่ต้องสวดที่ให้สวดก็จะได้ให้มันรวมทีนี้ถ้ามันไม่รวมก็ต้องสวดสวดไปจกนกว่ามันจะรวมพอมันรวมแล้วก็หยุดสวดได้คําถามต่อไปจากคุณทินกรการฝึกสมาธิผมฝึกจนเข้าถึงความสงบแยกกายแยกจิตจะต้องปฏิบัติ ต่อไปอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงไตรลักษณ์<ม>เห็นความไม่เที่ยงและความจางคลายเบื่อหน่ายในรูปนามก็เห็นร่างกายไม่เที่ยงก่อนนไงแต่ว่ามันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้มันเป็นอ น, นัตตาถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ทุกถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายหากเชิญเข้ามาได้มีคําถามเลยถามเองไหมไม่เอาเลย อ่าทางสบายครับคำถามจากหน้ากุฏิครับลูกขอแนวทางการทวนวิบาอนุสัยเก่าเมื่อกระทบแล้วเกิดเวทนาทางใจมากทำอย่างไรให้ไม่เกิดการปรุงแต่งทางใจครับคือวิบากการรมเราไปห้ามมันไม่ได้มันต้องเกิดเหมือนดินฟ้าอากาศฝนตกแดดร อ, อกสิ่งที่เราห้ามได้คือใจของเราอย่าไปยุ่งกับมันถ้ามันเกิดเราก็อาศัยพุโทโธพุโทโธไป ส่วนมนุษยไหว้พระไปแล้วเราก็ทําใจเฉยๆไปอะไรจะเกิดก็เกิดมันไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไป <Okay. S 2> พอมันดับแล้วมันก็ผ่านไป <Okay. S 2> เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันของเราขึ้นมาคือมีสติมีสมาธิมีปัญญาแต่วิบากกรรมต่างๆนี้เราไปห้ามมันไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ติดมากับเรา <Okay. S 2> แต่เราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ สิ่งไหนที่ไม่ดีถ้าเรารู้ไม่ดีก็พยายามฝืนมันบังคับมันอย่าไปทําตามมันเช่นถ้าอยากลักขโมยก็พยายามห้ามใจอย่าไปลักอย่าไปขโมยใช้ใสติพุโทโธพุโทโธไปหยุดมันใช้สมาใช้ปัญญาสอนใจว่าทําบาปแล้วก็ต้องเกิดวิบากอย่างนี้ตามมาอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะให้มีวิบากตามมาก็หยุดการการทําบาปไป<ม>เข้าใจไหมโอเคมีอีกไหม มี่แหละค่ะมันบางทีที่เกิดกระทบแล้วถ้าเป็นมีปากที่เราไม่เคยข้ามผ่านมันได้เราจะมองไปที่ข้างนอกก็จะมองไปที่คนอื่นว่าเขาเป็นแบบไหนอะไรก็ได้กระชวยได้วิธีไหนที่ทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับมันก็ใช้ได้เนื้ออุบายของปัญญาแต่ละคนมีหลากหลายวิธีด้วยกัน มองว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเรื่องที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เหมือนเรื่องของคนอื่นไปก็ปล่อยมันไปมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันไปเราทำใจให้เฉยๆให้นิ่งไว้ก็พอแล้วไม่มีปัญหาแล้วอาการที่เราติดดีอะนะคะแต่ว่าเวลาเราเหียนอ่องอนุสัยที่ไม่ดีของเราแล้วเรารู้สึกว่าเรายังรับมันไม่ได้รอยเเะ ก็รับไม่รับมันก็ต้องเกิดก็รู้ไปเฉยๆก็แล้วกันแล้วก็พยายามอย่าไปทําตามมันถ้าอนุสัยไม่ดีก็อย่าทําตามมันทําแต่อนุสัยที่ดีต่อไปอนุสัยที่ไม่ดีมันก็จะค่อยๆจางหายไปคําถามต่อไปจากคุณเอิงถ้าเรารู้สึกว่าที่ที่เราทํางานอยู่นั้นไม่ใช่ที่ของเราอีกต่อไปแล้ว แต่ถ้าเราออกมามันมีผลกระทบมากๆทั้งความสัมพันธ์และงานเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราคิดถูกต้องครับก็คิดว่าถ้าเกิดเราตายไปจะถูกต้องไหมล่นะถ้าเกิดเราตายไปวันนี้ ง, งานที่เราทําอยู่เราก็ทําไม่ได้นะอะไรจะเกิดตามมาทีหลังเราเราไปห้ามมันไม่ได้หรอกเราคิดว่าเราจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดเลยวันใดวันหนึ่งก็จะต้องตายหรือจะต้องจากที่นั่นไปอยู่ดี งั้นเมื่อถึงเวลาจะต้องไปก็ไปเท่านั้นเองส่วนเรื่องของคนที่เขาอยู่ต่อไปเขาจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขาไปเราจะไปแบกภาระของคนอื่นได้ตลอดได้ยังไง mm hmm. เราก็ต้องดูที่ประโยชน์ของเราก่อน mm hmm. เราอยู่แล้วเราทุกข์ถ้าเราไปแล้วเราไม่ทุกข์นี้เราก็ต้องไปไม่ใช่อยู่ครื่อทุกข์ให้กับคนอื่นยอมทุกข์เพื่อให้คนอื่นเขาสุขถ้าอย่างนี้ก็เป็น เขารว่าเป็น พ, พระโพธิสัตว์ได้ถ้าอยากจะเป็นพระโพธิสัตว์ก็ไปแบกทุกข์ของคนอื่นไปใครหิวก็ไปทํางานหาเงินมาเลี้ยงเขาเขาไม่ต้องกินเขาไม่ต้องทํางานเราเลี้ยงเขาไปเราต้องการที่จะดับช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของเขาเรายอมทุกข์เพื่อเขาอยานี้ก็ทําไปแล้วแต่เราคําถามต่อไปจากคุณดาดาพอใช้ความรู้สึกพิจารณาอสุภะ เกิดอาการกระตุกทั้งตัวขึ้นขึ้นลงลงครับแต่ก็ใช้พุโทโธให้รู้อันนี้ต้องทําอย่างไรต่อไปครับก็ถ้ายังกระตุกอยู่ยังไม่พร้อมที่จะพิจารณาอัศวภาใช้พุโทโธพุโทโธทำใจให้นิ่งก่อนหลังจากใจนิ่งแล้วค่อยมาพิจารณาอัศวภถ้ายังกระตุกอยู่ก็อย่าเพิ่งไปพิจารณาอัศวภากลับมาที่พุโทโธใหม่ก่อนคําถามจาก ทางอินบ็อผู้ไม่ประสงค์ออกนามสองคำถามครับคำถามแรกการนั่งดูลมในขณะที่จิตกำลังเบาสบายพิจารณารูปร่างกายเป็นโครงกระดูกไปด้วยสมควรทาหรือไม่ครับไม่สมควรอ่ะถ้านั่งสมาธิก็อย่าพิจารณาให้ดูลมเฉยๆให้จิตนิ่งให้จิตรวมเป็นสมาธิถ้าพิจารณาแล้วจิตจะไม่รวมไม่นิ่งแล้วสิ่งที่พิจารณาก็ยังไม่สามารถที่จะไปปล่อยวางได้ คำถามที่สองความคิดหรือหูได้ยินเสียงหรือเวทนาความเจ็บปวดพิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูขันห้าทำงานในขณะเจริญอาณาปานาสติถูกต้องหรือไม่ครับไม่ถูกวราถ้าเจริญอาณาปานาสติให้ดูลมอย่างเดียว แต่ถ้าไม่ได้เจริญณาปนานสติออกก็สามารถดูดูขันห้าได้แต่จะดูทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ถ้าจะอนาปนานสติก็ดูนมเพื่อให้ใจนิ่งสงบให้คิดตรงแต่ถ้าจะดูเพื่อให้เกิดปัญญาดูขันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้ก็เป็นปัญญาแต่จะไม่ได้สมาธิต้องรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังทําสมาธิหรือเรากำลังทับเจริญปัญญา เหมือนกับเราจะเราเรากำลังจะนอนหรือเรากำลังจะทำงานบราคนนอนไม่หลับก็เพราะว่าใจมันไปทำงานเอางานจากที่ออฟฟิศมาทำต่อที่บ้านเวลาจะนอนก็ยังคิดถึงเรื่องงานเรื่องการอยู่อนี้ก็ไม่ได้พักผ่อนหลับนอนต้องอาศัยยานอนหลับตรงนี้อย่างนี้ไม่ถูกถ้าถึงเวลานอนก็อย่าเอาเรื่องของงานมาเกี่ยวข้งองหยุดคิดให้อยู่กับนมอยู่กับพุโทโธไป การทำสมาธิเพื่อพักผ่อนจิตใจให้จิตใจมีกำลังมีพลังที่ยาวไปสู้กับกิเลสแต่ถ้าทำสมาธิแล้วไปพิจารณาทางปัญญามันก็จะไม่สงบแล้วปัญญาที่ได้ก็ไม่มีกำลังที่จะไปสู้กับกิเลสได้อยู่ดีเห็นทำผิดต้องรู้จักว่าเรากำลังทำอะไรถ้ากำลังทำสมาธิก็ไม่พิจารณาอะไรให้อยู่กับลอมให้ดูเฉยๆให้เพ่งดูเฉยๆ ถ้าเราไม่ได้ทำสมาธิเราต้องการปัญญาสอนใจก็พิจารณาครั้งห้าไปแต่ถ้าปัญญาอย่างเดียวไม่มีสมาธิก็จะหยุดความอยากไม่ได้ตัดกิเลสไม่ได้คำถามจากคุณสิริรัตน์มี2คํคำถามครับคำถามแรกมารดาเสียชีวิตไปเมื่อสองปีที่แล้วปัจจุบันยังทำบุญอุทิศบุญกุศลให้ทุกครั้งการที่เราทำบุญอุทิศให้ท่านท่านจะได้รับไหมครับ แล้วแต่ท่านว่าท่านรอรับอยู่หรือเปล่าถ้าท่านมีบุญท่านก็ไม่ต้องมารอรับถ้าท่านไม่มีบุญท่านก็อาจจะมารอรับก็ได้คำถามที่สองตอนได้ทำบุญเลี้ยงท่านเลี้ยงพระนะฮะอุทิศให้แม่เมื่อสองปีที่แล้วที่เสียไปตอนทำบุญเลี้ยงพระทาสังฆทานมีจัดสำรับถวายพระพุทธ สำหรับถวายพระสงฆ์และมีอาหารที่วางไว้หน้ารูปของมารดาที่เสียชีวิตไปแล้วมารดาท่านจะได้รับอาหารของชอบของท่านที่เราจัดไว้หน้ารูปไหมครับไม่ได้หรอกเพราะาอาหารส่งไปไม่ได้ส่งบุญได้อยู่บุญที่เกิดจากการถวายของให้กับพระได้อยู่แต่บุญที่เอาที่อ า, อาหารไปวางไว้ที่หน้ารูปของแม่นี้ไม่ได้บุญทางอย่างใดฉะั้นอย่าไปทาให้เสียเวลา ทำไปแล้วใครใครเป็นคนเอาไปกินน่ะแล้วคนที่เอาไปตั้งนั่นแหละพอตั้งเสร็จก็กลับมากินกันแล้วคนที่ได้บุญก็คือคนกินน่ะคนที่ไม่ได้กินก็ไม่ได้บุญนะหมดแล้วนะ อ, อีกหนึ่งคำถามครับจากคุณ BSI คนที่ตายไปแล้วจะรู้ว่าตัวเองนั้นตายไปเมื่อผ่านไปนานเท่าไหร่ครับไม่รู้เลยเหมือนคนที่นอนหลับอนะ คนที่นอนหลับรู้ก็แปาว่าหลับหลับแล้วก็ฝันถึงเรื่องนั้นฝันถึงเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ไปจะมารู้ว่าหลับจะรู้ว่าฝันก็ตอนที่ตื่นขึ้นมาแต่เอานี่เวลาตายไปแล้วเวลาเราเกิดใหม่เราจําไม่ได้แล้วว่าชาติก่อนเราเป็นอะไรทําอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรนอกจากคนที่มีมีความจําดีระลึกชาติได้ถึงจะระลึกได้ว่าชาติก่อ น, เ ป, น, นเป็นนู่นเป็นนี่เขาไม่ยอมถาม ขออนุญาตถามเจ้าค่ะแล้วเราจะรู้ไหมเจ้าคะว่าเร า, เราตายไปแล้วจากจากร่างกายอันนี้เจ้าค่ะไค่รู้หรอกจะรู้ได้ยังไงไม่กับเวลาเราหลับเรารู้เปล่าเราหลับตอนไหนไแบบเดียวกันก็ลาตายกัเวลาหลับเหมือนกันไม่มีสติไงหมดสติเพราะไม่มีสติก็ไม่มีการรับรู้ก็ร อ, อไปเกิดใหม่เลยใช่ไหมมั น, นก็ไปอัตโนมัติไงบุญกับบาปจะพาให้ไปเกิดใหม่ต่อไปครับค่ะ พอเกิดใหมพาพอตื่นขึ้นมาออกจากท้องแม่ก็ตื่นขึ้นมาแต่จําไม่ได้นะ ว, ว่าเป็นใครมาจากไหนถูกมันมันลืมไปหมดนะเพราะระยะเวลามันยาวกว่าจะพ้นจากบุญจากบาปกว่าจะไปอยู่สวรรค์อยู่นรกกลับมาเกิดอีกทีไม้กี่ร้อยปีมันก็เหมือนกับมันเริ่มต้นใหม่เด็กที่มาเกิดใหม่มันเลยจาอะไรไม่ได้นอกจากนอกจากนิสัยเดิมที่ติดตัวมาเท่ั้น ถ้ามันยังชอบอะไรอยู่มันก็จะชอบอย่างนั้นต่อไปถ้าไม่เกลียดอะไรมันก็จะเกลียดอย่างนั้นต่อไปแต่มันจำชื่อพ่อแม่ของคนก่อนไม่ได้จำว่าชาติก่อนเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรอยู่ที่ไหนจาไม่ได้หมดแล้วมันนานเกินไปอย่าว่าแต่ตายเลยเมื่อวานนี้เราทำอะไรบ้างเราจำได้ทุกทุกอย่างหอเปล่า่วานนี้กินอะไรบ้างจำได้ไหมเมื่อเช้ากินอะไรคาถามจากทางยคุณใบ ย, ยก สติคือคำบริกรรมเพื่อหยุดความฟุ้งในการปรุงแต่งนั่งสมาธิเพื่อความวางว่างเฉยพอออกมาจะคิดปรุงแต่งใช้คำบริกรรมและปัญญาตัดได้บ้างไม่ได้บ้างพอจะฟุ้งก็กำหนดโดยใช้คำบริกรรมถูกต้องไหมครับก็ใช้สติไปก่อนถ้ายังใช้ปัญญาไม่เป็นถ้าใช้ปัญญาได้มันก็จะตัดได้อย่างทาวรหยุดได้อย่างท้าวอเพราะรู้ว่าสิ่งที่คิดเป็นทุก มันก็จะไม่ทิ้ดเด็กต่อไปให้เสียเวลาคําถามต่อไปจากคุณจรก่อนนอนภาวนาทำสมาธิเจริญอาณาปานสติเมื่อจิตตั้งมั่นจะตามเห็นการเกิดดับของจิตและพิจารณาไตรลักษณ์เมื่อจิตเริ่มฟุง้งจะกลับมารู้ลมหายใจทําแบบนี้สลับกันไปทําถูกต้องไหมครับไม่ถูกเราจิตยังไม่ตั้งมั่นจิตยังไม่เป็นสมาธิ ถ้าจิตเป็นสมาธิมันจะว่าไม่มีอะไรให้รับรู้ในภายในจิตถ้ายัางรับรู้อยู่ก็คือความคิดตุงแต่งของจิตยังทํางานอยู่มันก็ถือว่ามันยังไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้ได้อะไรไม่ได้ทักอย่างมันนั่งสมาธิต้องทําใจให้นิ่งให้ว่างให้สงบให้มีพลังก่อนให้มีพลังที่จะหยุดความอยากหยุดกิเลสได้แล้วหลังจากออกจากสมาธิมันก็พิจารณาให้เห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยาก ขอรู้ว่านี่ทุกพออยากก็หยุดความอยากได้ทันทีถ้ามีกำลังของสมาธิเป็นผู้สนับสนุนคำถามหมดแล้วครับอนูมาถามเลยดีกว่าไม่ต้องมาเกียเสียเวลาค่ะลูกขอแนวทางคุยคะคุยใกล้ฝป่ง่งโอเคเจ้าค่ะ ลูกขอแนวทางการถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นหน่อยเจ้าขาอย่างเช่นปมเก่าๆหรือว่าความกลัวเก่าๆที่เราเคยเจอมาแล้วพอมาเจอสถานการณ์ณปัจจุบันมันทำให้ปมตรงนั้นมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเจ้าข า, ท, า, ท, าทั้งทงที่มันอาจจะไม่เป็นแบบ เหมือนที่เราเคยเจอก็ได้แต่ว่ามันเกิดการปรุงไปแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ต้องหยุดมันไงหยุดด้วยสติพอมันเกิดอาการขึ้นมันก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหยุดเองอ๋อเจ้าค่ะไม่ซับซ้อนเลยเจา้าค่ะง่ายๆพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หยุดสติไ ป, ไปยิงไปยิ่งคิดจะยิ่งยิ่งเป็นใหญ่ ไ, ไหลเลยเจ้าค่ะและ้วอหยุดกลางคิดพอหยู่กลางคิดแล้วมันก็จะหายไป เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโอเคนะครับมีไหมคำถามสุดท้ายแล้วคำถามจากคุณแพนทำงานราชการมีลูกสองคนตื่นตีสามมาปฏิบัติทุกวันระหว่างวันก็พยายามรู้สึกตัวและใจตั้งแต่ตื่นจนหลับครับถึงเวลาเราจะรู้เองใช่ไหมครับ ว่าต้องออกจากเพศคารวาสและระหว่างทางก็จะมาโจทย์ยากๆก็จะมีโจทย์ยากๆมาทดสอบครับก็มันก็จะลุยเอาพร้อมที่จะไปบวชรือไม่ส่วนโจทย์ยากง่ายมันก็มีอยู่เรื่อยๆมันไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะจะมาเกิดตอนที่เราจะไปบวชอย่างเดียวมันเกิดได้ทุกเวลาทุกแห่งทุกคนแล้วแต่เมื่อถึงเวลามีเหตุมีปัจจัยให้มันเกิดมันก็เกิด